ท่านสาธพทณบริษัทวันนี้คงยังเป็นวันที่8ตุลาคม2 533ตามเดิมแต่ว่าพูดเป็นตอนที่2ตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นท่านน้หลายคิดเอาหรือยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้น แล้วก็มันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอะไลูกปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจจรวดแต่เรื่องจจรูดที่ต้องระวังกันหน่อยเพราะจจรวดมันมาจากใต้น้ำได้ยิงได้ไดทางไกลได้ ถ้าเป็นจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อมๆว่าตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโผล่ขึ้นจุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทำให้รวนกำลังเขาจะหารรวน้าจะตั้งกลุ่มขึ้นบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจกลุ่มความปรสงครวามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องการตายของเรา เรื่องดังสีของวิทยาศาสตร์และสมีต่างๆไม่ต้องมีตกกังวลขอยืนยันว่าบุคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกมาแล้วนี่ความร่ำรวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างการแรกเขาบอกว่าเรื่องน้ำมันจะเป็นเหตุให้รวยเพราะทุกประเทศ ต, ต้องใช้น้ำมัน รีบประการหนึ่งนั่นคือว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าสงครามโดยตรงแต่ว่าทหารของประเทศบางประเทศ <c oughs> อาจจะต้องยกเข้ามาตั้งในจุดใดจุดหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> เวลานั้นเราก็ขายน้มามันในเขาเราก็รยถ้ามีกองทหารหนึ่งเข้ามา มันจะดีหรือไม่ดีก็นี่ก็เป็นเรื่องการเมืองแต่มีความจําเป็นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับถ้ามีการยอมรับรายได้ต่างๆของประชาชนก็เกิดขึ้นตอนนี้รัศมีต้องการในเมื่อมันไม่ถึงประเทศไทยเราก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีความลําบากบรรดาท่านที่ทํานาทั้งหลายท่านที่มีนาแย่เพิ่งขายนาในราคแพงมากนัก คือขายก็ขายเถอะแต่อย่าขายให้มันหมดก็มีคนหลายคนมาบอกว่ามีที่ยี่สิบไร่บ้างสามสิบไร่บ้างห้าสิบไร่บ้างร้อยไร่บ้างอยากจะขายขายได้ไร่แล้วเป็นล้านนี่ก็เห็นใจเหมือนกัน <c oughs> ความจริงเงินนับล้านนี่เป็นขอหายากก็เห็นใจเขาอาจจะตั้งตัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ลืมตัว <c oughs> แต่ว่าบางท่านที่ไม่มีโอกาสจะขายนาของท่านได้นาของท่านอยู่ไกลที่เจริญอยู่ไกลแม่น้ำไกลถนนถ้าเขาจะซื้อก็ซื้อราคาถูกท่านก็ไม่อยากจะขายแล้วยังขายราคาแพงในที่สุดท่านก็ไม่มีโอกาสจะขายในเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่านก็อาจจะเสียดายว่าที่นาของเราไม่ได้ขายเราไม่รวย แต่แปลว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆท่านจะดีใจเพุทธนาท่านไม่ได้ขายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะข้าวของท่านที่ออกมาราคามันแพงมันจะขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแพงจะแพงกันหมดดูสงครามโลกครั้งที่สองทุกสิ่งทุกอย่างมันหายยากยิ่งเขายิ่งรบกันโอกาสที่เขาจะทํามันก็มีน้อย เขาต้องใช้เวลาลบ ก, กันมากขึ้นท่านี้เราก็ขายได้ดีมาส่วนด้านเาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ดีมากแต่ว่าอุตสาหกรรมเต้องระวังโรงงานโรงงานต่างๆ ต, ต้องระวังระเบิดภาคพื้นดินไม่ใช่ระเบิดจากอากาศร <c oughs> ะเบิดภาคพื้นดินจะระวาด ถ้าจะถามว่าจะหาทางป้องกันยังไงนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าทีท่ํารวจทหารถ้าเจ้าหน้าหรือว่าท่นานจะขอโงงานทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้ยังไงว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันหรือเปล่าถ้านับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันก็าของที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้ก็มนก็คือความดีของดี ถ้ามีไว้ในรัศมีนั่นจะไม่เมียนตรายจากภัยระเบิดและภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> เหมือนกับสมัยมีผอกคในที่ต่างๆเคยถูกโจมตีแต่การประทานเจ้ า, จาของประทานที่นั้นเจ้าหน้าที่ในที่นั้นเกิดมีความเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมามีของใหญ่ของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงไว้เป็นเขต ในเขตนั้นปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นไปจนมาไม่เคยถูกโจมตีหรือว่าข้าศึกยิงเข้ามาก็เข้าไม่เข้าสถานที่ของนั้นไม่เข้าฐานเป็นอ น, นว่าทหารในเขตนั้นก็ปลอดภยัยข้อ น, นี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริงถ้า <c oughs> ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง สิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราเคารพด้วยความจริงใจและทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่สามตอนี้ถ้าโรงงานต่างๆมีความเคารพพระพุทธเจา้าด้วยความจริงใจจริ ง, รงโรงงานนั้นๆจะพ้นอันต ร, รายจากระเบิดและการทาอนตรต่างๆจะฉันบาวุฒิจะไม่เกิดขึ้นกับโรงงานนั้น โรงงานนั้นในเมื่อผิดของได้ก็จะขายดีรวยเขารบกันเขาไม่มีเวลาทำเรามีเวลาทำเพราะเราไม่ต้องรบเขาต้องสูญต้องเสียเงินเพื่อการรบเพื่อการรบต้องใช้เงินมากเราไม่ต้องสูญเสียเงินเพื่อการรบเราก็ขายของของเราแล้วในเมื่อของไม่ขายราคาก็แพง และเมื่อขายของราคาได้ราคาแพงมากเพราะรัฐบาลก็าจะมาเสียก่อนมากขึ้นประเทศก็รวยคนก็คนในประเทศก็รวยนี่พูดเรื่องความร่ำรวยที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งน้ำมันตามจุดต่างๆที่ที่เขาที่บริษัทเขาเจาะไว้เขาบอกว่ามันไม่พอใช่มันก็จะปรากฏขึ้น พราเราไม่มีโอกาสซื้อน้ำ ม, มันต่างประเทศถ้าน้ำ ม, มันต่างประเทศจะซื้อได้ยากราคาแพงอันนี้เขาก็จะดึงขึ้นมาใช้ราคาเหมือนราคาต่างประเทศอย่างนี้อุตสาหกรรมของเราก็จะรวยไม่ได้ถ้าบังเอิญคนไทยอย่างที่ฝังใช้หัวเจาะลึกๆหัวเจาะยาวๆเจาะลงไปลึกๆแต่ตามหลักมักวิชาการเขามีอยู่แตา ม, มาก็ไาม่ได้ค้านตามนั้นนะ ลองเจาะดูตามที่ด็อกเตอรสราท่านพูดดรอรเตร์สราท่าันบอกว่าที่ใดก็ตามเจาะลงไปมันจะมีน้ํามันแต่ว่าผิวดินมันจะลึกจะตื้นกว่ากาันนนอีกอย่างหนึ่นงอาหารถ้าที่เขาเจาะเวลานี้ยังไม่ถึงขุมน้ามันจริงๆมันไปถึงต่อมเล็กๆบนหลังหลังถังของน้ํามันยังไม่ถึงถังน้ํามันแท้ ถ้าใช้หัวเจาะประมาณหกกิโลไม่จางกดเจาะยางนี้มันต้องใช้กี่บ่อแล้วแค่เพียงแค่สิบบ่อดึงกันวันไม่รู้จักทหรลเท่าไรก็ไม่จางหมดเราใช้ประมาณสามสิบเท่าหรือสามร้อยเท่าเองเวลานี้สักพันปีมันก็ไม่หมดเพราะมันเป็นทะเลใหญ่เนี่ยด็อตอร์สตรสาทต์้พูดอย่างนี้นะ ถ้าบ่งเอิญคนไทยเขาเราดึงขึ้นมาได้เองแล้วก็กดราคาน้านมันให้ต่ำลงไปอย่างแพงที่สุดก็ทําน้ำมันในในราคาน้ามันในเวลาปัจจุบันทักษาราคาน้านมันไว้ต่างประเทศเขาต้องซื้อแพงเราถูกอุตสาหกรรมของเราก็มีราคาถูกขายก็ได้กำไรกำไรก็ยังมีมากกำไรจากอุตสาหกรรมด้วยกำไรจากเสพตกรรมด้วยกำกไรจากน้ามันด้วย แล้วก็จะมีกำลังมากมหมประเทศไทยก็จะเป็นมหาเศรษฐีนี่ต่อไปก็มันมีเวลาเหลือบรรดาท่านพุทธบัตรใก็มาคุยกันว่าถ้าบังเอิญสงคารามโลกไม่เกิดจะว่ายังไงก็ ต, อต้องตอว่าถ้าสงคารามโลกไม่เกิดก็เป็นของดีแต่ว่าท่านดรสรรัมาสตร์นี่กท่านเดียวกันแ้วบอกเขาไม่เรียกสงคารามโลกเขาเรียกสงคารามใหญ่ มันเป็นซร้มมันเป็นสุ้ครามใหญ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซุ้ครามโลกก็เป็นอันว่าถึงไม่จะเป็นซงครามโลกก็ตามซุ้ครามใหญ่ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็บทเรียนจากซงครามโลกขั้งที่สองมาใช้กันหนึ่งผ้าในสมัยนั้นหาคนนุ่งผ้าดีมากดีได้ยากจะส่วนมากก็จะมีคนนุ่งผ้าขาด เพรเวลานั้นโรงงานทำผ้าของเรายังมีน้อยแต่เวลาที่โรงงานทำผ้าของเรามีมากแต่ก็ไม่แน่นอนนักบางทีระเบิดเพลิงจะเกิดจากภาคพื้นดินก็ได้ถ้าระเบิดเพลิงจากภาคพื้นดินเกิดกับโรงงานโรงงานทำผ้าของเราก็จะสลายตัวไปผ้าก็จะน้อยอันดับแรกเตรียมผ้าไว้ก่อน อันดับที่สองเตรียมพื้นดินไว้ถ้ามีอยู่มั่งไม่มากใหม่ให ม, ก ม, มก่ก็จะเพิงรีบขายเกินไปถ้าได้กําไรมากๆเป็นล้านๆก็ไม่ว่าอะไรขายเถอะถ้าเก็บเงินไว้ดีอย่าใช้ให้หมดตัวอย่า <c oughs> คิดว่าถ้ามันหมดตัวแล้วเราไม่มีทางจะห า, หาที่ดินมาขายได้ใหม่ <c oughs> การที่สงังเกตและเตรียมไม่เตรียมกายเตรียมใจ เรียมใจว่านึกถึงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกแอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อมันเป็นอนิจจังมันก็เป็นความทุกข์ในที่สุดก็เป็นอนัตตาตายหมดถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร ความจรงเปยียงนั้นแต่เรายินยอมรับก็ไม่เป็นไรถ้าจิตยังไม่ยอมรับมันก็มีความดิน้นรนมันก็มีความเล่าร้อนถ้าจะดิน้นรนจะเล่าร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็จะหนีไม่พ้นในเมื่อหนีไม่พ้นเราก็ต้องทนสู้ทนสู้กับภาวะของสงครามตอนนี้เราจะสู้กับใครแล้วก็สู้กับตัวเราเอง นั่นคือต้องใช้น้อยกินน้อยนอนน้อยนอนมากๆนอนมากๆแล้วตื่นไวๆทางกําลังตาใช้กําลังร่างกายทําการงานให้ดีให้พูดอย่างนี้ก็พูดเรื่อยเยไปทีนี้เป็นเพ ร, ร า, วาว่าก็ตามขุยากรเขาต้องเตรมสปสสารทั้งว่าประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีและคนไทยทุกคนจะไปมหาเศรษฐีไหม ก็ต้องขอตอบว่าคนไทยคนไทยทุกคนไม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนแต่ว่าก็มีคนจานวนมากที่จะเป็นลูกศิษย์ของมหาเศรษฐีคือเป็นคนงานของมหาเศรษฐีเราก็จะเป็นเศรษฐีเล็กในครอบครัวเล็กๆได้เหมือนกันสมมติว่าครอบครัวใดยังไม่เคยมีเงินล้านครอบครัวเล็กๆประเภทนั้นจะมีเงินล้านใช้ ประเทศครอบครัวที่มีเงินแสนใช้ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนมากถ้าประเทศไหนว่าบ้านไหนมีเงินล้านใช้ถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นบ้า น, น อ, อี่พอพอกินพอใช้พอหายได้เลี้ยงตัวรอด <c oughs> ที่มีเงินเหลือเป็นแสนก็ถือเลี้ยงตัวรอดเหมือนกันที่ได้มาอย่างนี้เพราะว่าเรามีกาไรจากสงครามแต่เราไม่อยากให้เกิดสงคราม ตอนี้มาพูดอีกทีหนึ่งที่ดาวุธท่านบอกว่าศาสนาคริสต์จะสลายตัวแต่ศาสนาอิสลามท่านไม่ได้บอกว่าจะ ส, าสลายตัวหรือเปล่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นข้างหลังหลังพวกธคืิพุทธกาลแล้วองสมเดม็จพระพุทธเแก้วกล่าวว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาจะรับรองข้าฟันตึงกันแล้วกันจะ ต, ตายไปฝ่ายเครื่องเครื่องจะเลื่อนลากัน ตอนนี้ด้านเรื่งของศาสนาเขาก็จะมีการหย่อนตัวลงไปเพราะความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความเสียหายเกิดขึ้นตายไปฝ่ายเดครึ่งในไม่ใช่เล็กน้อยในบรรดาแทะพุทธบริษัทการเชื่อพระเจ้าจะน้อยลงเพื่ออาจจะสลายตัวอย่างท่านดาบุษบอกก็ได้ท่านนี้มาพูดถึงพุทธศาสนาบ้าง ทางพุทธศาสนาถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงๆทางพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองได้จะมีความวสมนุนสนองได้เพราะคนเห็นทุกข์ในเมื่อคนเห็นทุกข์ก็ยอมรับนับถือศีลธรรมมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชฝ่ายปฏิบัติ ต้หรับฝ่ายปริยัตตั้งแต่อีกฝ่ายหนึ่งต่างหากเคอท่านเรียนแต่ท่านยังไม่ได้ทําเรียนรู้จะถือว่าไม่ดีไม่ได้ท่านก็ดีท่านมีความรู้ความรู้ในด้านปริยัตก็จะเจริญขึ้นความสามารถในด้านปฏิบัติก็จะเจริญขึ้นไม่ช่วงนั้นอาจจะมีพระที่ได้อภิญญา หรือว่านักปฏิบัติที่เป็นครว่าที่ได้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ามีนักอัปัญญาเกิดขึ้นในบรรดาท่านพุทธบริษัทอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นได้น้อยเต็มทีเพราะอาศัยอัปัญญาช่วยดังนั่นอกจากนั้นความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของเราก็จะรุ่งเรือขึ้นมากเพราเราไม่เสียหายมากเรามีความสุขในเมื่อเขาเลิกลบกัน เขาก็ขาดขายเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ้อาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขายเครื่องมือเครื่องใช้เขาขดาดโรงงานในประเทศไทยของเราเวลานี้มีมากก็เราก็ขายไปรวมความว่าทุกอย่างมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีความร่ารวยดูตัวอย่างประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อหลังสงครามลงแล้วก็ถูกบังคับห้ามไม่มีทหารพอสองประเทศนี้ไม่มีทหารขึ้นมาไม่ต้องเสียเ ง, งินค่างบประมาณทหารเพราะงบประมาณทหารต้องเสียมากเรือาวุธจุทธปกรณ์ต้องเตรียมเตรียมไว้บางทีไม่ได้ใช้ล่านสมัยต้องซื้อใหม่ของเก่าก็เก็บไว้หรือว่าคือว่าขายไปต่นี้ไม่ในเมื่อไม่ต้องเตรียมการรบไม่ต้องเตรียมทหารงบประบาณก็เหลือใช้ ประเทศก็มีความร่ำรวยประเทศไทยเราก็ฉชนนั้นในสมัยเมื่อเคารพ ก, กันเราก็พยายามระวิงทุกอย่างอย่าให้มีการรบถ้ามันมีความจําเป็นจริ ง, รงๆก็จํากัดสถานที่รบมันหมายความว่าสงครามใหญ่นะไม่มีใครก็เข้ามาในประเทศไทยพวกเดี๋ยวเขตีกันเขาตีกทาง น, นู้น เขาไม่ตีมาทางนี้เขาอาจจะตีไปทั้งโยุโรปตีไปทางเนอเมริกาเขาไม่ตีมาถึงประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมในความทุกข์ที่เกิดจากสงครามท่านี้ในเมื่อเขาไม่ตีเข้ามาถึงเราก็มีความอดมสมบูรณ์แต่ตานนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งมาตีเล็กมีนะตีใหญ่ได้ไหมมีมีจะ ต, ตีเล็กก่อกวน สงครามก่อกวดจะมีเป็นของธรรมดา <c oughs> ทั้งนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถของรัฐบาลและทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปรามได้ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รังสีต่างๆ ก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพระพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็นนิวตน์นิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทั้งนี้ท่านหลายต้องไปหาจากพระที่เป็นนักปฏิบัติทางด้านจิตใจอีกข้าท่าเข้าถึงฌานโลคีทรงตัวแล้วทรงตัวแล้วก็ทรงความปเบญญา ถามว่าเวลานี่จะหาที่ไหนก็ขอตอบว่าเวลานี่จะเพิ่งหาอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกันถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจ ะ, ะแสดงออกมาในเห็นอความปลอดภัยว่าท่านสามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านองค์ไหนจะเป็นพระก็ดีจะเป็นฆราวาสก็ดีไม่ใช่หมายความว่าพระเสมอไป พระว่าที่มีความสามารถก็มีมากก็สามารถจะป้องกันได้สามารถจะทำได้ก็พึ่งท่านนั้นท่านต้องให้เป็นที่เพึ่งแน่นอนก็ทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราถ้าหากว่าเราทั้งหลายตายกันหมดท่านก็ตายเหมือนกันท่านอดตายเพราะว่าท่านอาศัยพวกเรากินพวกเราหากินหาใช้เหลือแล้วก็ให้ให้ท่ า, ทาน อย่าสมมติว่าถ้าพระบิณฑบาตแล้วก็ถวายพระถ้าจะบ้านอดถ้าบ้านตายหมดพระก็ตายเพราะไม่มีใครจะให้ข้อนี้ฉันใดเวลานั้นก็ตามท่านนี่ทรงอวิญญาจะเป็นพระก็ตายจะเป็นคณะว่ า, าก็ตามไม่มีใครปกปิดความสามารถสามารถจะป้องการรางันรังสีต่างๆได้และป้องกันสรรพวุธได้ทางกําลัง ถ้าบุคคลที่ต้องตายไปบ้างก็หมายจะว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขนี่เราป้องกันไม่ได้มันมีความจําเป็นคนประเภทนี้จะรบก็าตายไปรบก็าตายนอนอเฉยก็าตายกินข้าอยู่ก็าตายนอนหลับก็าตายคูยกันก็ตายเพราะถึงอายุไขเวลานั้นมันต้องตายก็รว้กว่า แ้ประเทศไทยไม่ต้องหนักใจเขาบรรดาแทนพุทธบริษัททุกคนยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ความดีที่พระเจ้าให้ไว้ก็มีสี่อย่างอำเอาทั้งสองสี่ย้าเป็นการใบ้หวยเลยนะสี่ที่หนึ่งก็เอาอย่างง่ายๆคือสังหาวัตถุสี่คือหนึ่งทางการให้ ให้มีการสงเคราะห์ซึ่งการกังเว้สร้างความรักหรือว่าจสร้างศัตรูการให้ทานนี่เป็นการทำลายล้างศัตรูไม่เกิดศัตรูขึ้นมาเพราะเราผู้คนผู้รับยอมรักคือผู้คลผู้ให้การในสองปิยะวาจาพูดดีผููในคนที่รับฟังมีความสุขจากคำพูดของท่านเขาก็จะรักเราให้เมื่อเขารักเราเราก็มีความสุข แต่การที่สามช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันถ้าเขาเกินวิสัยเราช่วยเขาก็จะเกิดความรักแต่การที่สี่เราไม่ถือตัวไม่ถือตน <c oughs> การไม่ถือตัวไม่ถือตนเป็นใจเป็นตัวใจเกิดความรักอันนี้เป็นความดีที่พระเจ้าให้ไว้แบนดแรกักษะกดสีป่ประการนี้ได้บรรดาทัาห์ไหลเราจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีคนเกรียด นี่ก็ส ถ, ถานว่าในเมื่อเขาประกาศสงครามกันเขาไม่รู้จักกันเขายิงกระโรดมาจะทำยังไงไมันก็เป็นของไม่ยากเขาจะยิงมาหรือไม่ยิงมาแล้วก็ภาวนาพุทโธไว้จิตใจยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าโดยตรงสิ่งใดที่พระเจ้าทำไว้ท่านให้ไว้เรานักถือด้วยความจริงใจสิ่งนั้นท่านนั้หลายจะป้องกันอันตรายท่านได้แน่นอน และประการต่อไปอีกสี่อย่างอีกสี่อย่างก็คือพรมิหารศีลเมตตาความรัก <c oughs> สร้างความรักทําจิตเกิดเกิดความรักทั้งคนแลสัตว์ทั้งโลกถือว่าเราเป็นมิกันเป็นการตรงการ ท, ร ท, รทรี่สองมีความสงสารคอยเกื้อกูลกันไว้เสมอใหญ่เห็นเก่ตัวเป็นการทรี่สามยินดีเมื่อบุคคลหนึ่นได้ดีไม่ฉาริษยาใคร ประการนี้ห้ามเมบุคคลนั้นถึงอายุไขต้องตายเพระอาวุธต้องตายตามการเวลาแล้วก็วางเฉยเในเมื่อมีความนี้อีกสี่ประการอย่างนี้แลบรรดาท่ พ, พุทธบริษัททุกคนจะปลอดภัย อ, อย่าลืมว่าสังหาวัตถุสี่เป็นความดีเล็กน้อยความดีขั้นต้นก็ไม่อานสี่เป็นความดีสูงสดุดคือเมตตาความนักกรุณาความสงสารโนตามิจิตอนโยน เห็ในใครได้ดีพอยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่สามารถจะยับยั้งได้ก็ทำใจวางเฉยไม่ดินน้นรนยอมรับความเป็นจริงนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทชยยายหญิงเวลาเหลือประมาณห้านาทีก็คุยกันไปคุยมาย้อนถึงสงครามโลกครั้งที่สองอีกสักนิดหนึงว่าทำไมถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นคนไทยจะมีความไม่ของในพุทธศัสนามากขึ้น ต่ชี้ตัวอย่างเห็นสักอย่างหนึ่งเพราะสมัยนั่นผู้พูดอยู่ในกรุงเทพ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าบุคืนใดถ้ามีปกติเครื่องบินไม่มาที่งระเบิดเพราะสงครามโลกครั้งที่สองตอนเช้าไปบินระบาดเวลานั้นคนหนีระเบิดกันมาบ้านนอกกันมากมาต่งางยังหวัดกันมาก <Okay. S 1> คนใส่บาทมีน้อยพอกินแค่เช้าเพลินไม่พอกิน แต่ว่าบังเอิญคืนไหนถ้มีเครื่องบินมาเที่มาโจมตีที่ระเบิดเวลาเช้าไปบินระบาทปรากฏว่ามีคนใส่บาตรมากเป็นพิเศษไปไม่ทันถึงเครื่องทางก็เต็มบาตรยามบอดีไปจนสุดทางแล้วก็เดินทางกลับยังไม่ถึงเครื่องบาตรแต่คืนไหนมีเครื่องบินมาโจมตีคืนนะั้นต้องต้องเช้ามีคนทําบุญกันมากเห็นว่าคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราใกล้ความตายไม่มีความประมาท คือเขาจะถือว่าเป็นการฉลองชีวิตที่เกิดใหม่จากเมื่อจากการโจมตีของฆ่าสิบข้าสิกทิ้งทั้งระเบิดกด็ทิ้งยิงกระสุนะแล้วปืนกลก็ยิงแต่เขาก็ปลอดภยัยจิงทำบุนกันใหญ่ <c oughs> ข้อนี้ฉันใดพันดาเต็นพุทธบริษัททั้งหลายในเมื่อสองครามใหญ่ไปเกิดขึ้นเป็นสงครามที่น่ากลัว อาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถือว่าแววุฒดีนั่นแหะเป็นสมัยล่าสมัยไปแล้วเครื่องเป็นสมัยนั้นเป็นเครื่องบนที่ดีที่สุดเวลานี้เขาเลิกใช้แล้วเ <c oughs> ครื่องเป็นสมัยใหม่เขาดีกว่าสมัยนั้นมากอาวุธที่ใช้ใหม่ดีกว่าวสมัยนั้นมากท่ น, นี้กระบวนาการสงครามเกิดขึ้นข่าวข่าวก็ย่อมถึงกันเวลานี้มีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์ ถ่ายทอดจากดาวเทียมเราสามารถเห็นภาพได้ในเหมือนการสูญเสียความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นบุศสเวลานั้นบรรดาตนพุทธศาสนิกนชนก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะกลัวตายสำหรับอีก ด, ด้านหนึ่งท่านนักปฏิบัติที่จะเริญสมาธิจิตก็จะเร่งรักตัวเอง ให้ทําสมาธิให้ดีขึ้นโดยหวังอย่างเดียวว่าถ้าตายแล้วไม่ขอเกิดใหม่อย่างเลวยที่สุดตายใหญ่ความเป็นคนไปสวรรค์ก็เอาแล้วถ้าดีกว่านั้นไปเป็นพรหมก็ดีถ้าดีกว่านั้นไปนิพพานเนี่นนนก็ดีถ้าเกเร่งละตัวเองไอ้การเลร่งักตัวเองประเภทนี้กาลังใจก็จะเป็นสมสมาธิสูงสุดอวญญาก็จะเกิด ในเมื่อปัญญากเกิดก็จะใช่ผลของปัญญาในย า, ยา น, น, นต่างๆที่ได้จากสมาธิและวิปัสสนาญาณเอามาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขปลอดภัยอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หรือเวลานาทีสเศใแต่ตอนนี้ก็ขอสรุปว่าขบรนดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมองค์สมเด็จพระบรมโลปเคเชษเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าหนึ่งเราจะบูชาพระทุกวัน นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนหลับเตือนใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจา้าคืนบูชาพระบูชาพระทว่าจะอื่นไม่ได้ก็ว่านโมูตัดสาสามผลด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงเราว่าพุทธทางสนังอาชาไม่ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจา้าเป็นที่พึ่งทำมังสนังอาชาไม่ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆ์ทางสนังอาชาไม่ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แค่นี้ทก่อนหลับแะตื่นใหม่ๆทุกวันบรรดาตทพธิทาเจนาทุกท่านจะปลอดภัยและจะมีความร่ำรวยเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาตทพทธิธาสาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี